ธรมสรรกญชามิสังขังสร วามเดิมตอนที่แล้วพระพุทธเจ้าทรงรำลึกถึงปัญจวัคคีย์ได้ทรงเห็นว่าเป็นผู้ที่เคยอุปััมภ์พระองค์มาก่อนเพราะหวจะได้ฟังพุทธธรรมเมื่อตรัสรูก้กว่าใครๆจึงตัดสินพระทัยเสด็จไปป่ า, ปาอิสิปตนามริขทยวันเมืองพระนศีซึ่งปะเจวัคคีย์พากันมาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั้นได้ทรงพบ ก, กับอุปการอาชีวกาก่อนใครแต่วิบากรรมทําให้อุปการเกิดความหลงลือใจ จนพระอนุการได้ฟังพุทธธรรมเมือ่อบรญจับเมื่อคีรลูกข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมหาก็ปรึกษากันก่อนจะตัดสินใจเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องพระพุทธเจา้ามหาบุรุษแห่งชงโรทวีตอนที่29บได้นกมณ เฮสีพวกเจ้าตามสบายข อ, ขอพระทยเพคะอนี่แม่ลูกขขาพาเขาไอยู่ที่ไหนทำไมเรามาจึงไม่เห็นเอาว่าไหนโลกิสเนี อ, อขอเดชะ <c oughs> พระชายากำลังทอดพระเนตรพระโอรสในห้องทรงพระอรักษรเพคะอะไรกันทำไมถึงให้หลานข้าเรียนหนังสือตั้งแต่ตัวแค่นี้ถวายบังคมเพค ะ, สะเสด็จพ่อสเสด็จแ ม, ม่แม่กาลังพูดถึงอยู่พอดี เมื่อกี้ข้าว่าอะไรนะรัศมีชักจะลืมไปแล้วสิอืมแสดงว่าน้องยิงประชามดีเยีงไม่ฉลาดเท่าไหร่สเสด็จพี่นะ่ะตอบซะทีสิรัศมีปล่อยให้เราถูกค่อนว่าอยู่ได้ขอประทานอภัยเพคะพระไม่เห็นสิมีพระดำรัสว่าทำไมาพระชายาทรงให้พระอรรถดาหุนทรงศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่ยังทรงพระยาวเพคะ หม่อมฉันประสงค์ให้ราหุลได้เรียนรู้สรรพวิชาโดยไว้เพคะเราไม่คิดว่าจะเป็นการบังคับใจราหุลมากเกินไปหรือเพียงผาเพราะอยากให้หลานมีความสุขสนุกสนานในวัยเด็กมากกว่าเราอย่าไปขีดด้วยว่ากำหนดเส้นทางเดินของเขาเพราะถ้าไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาคนที่จะเสียใจหรือเสียน้ำตา ก, ก็จะมีแต่เราที่เป็นผู้ใหญ่ขอบพระทัยเพคะหม่อมฉันจะไม่บังคับใจลูกอีกแล้วเพคะแล้วตัวเจ้าเองล่ะ เวลานี้เราก็ได้ข่าวดีเรื่องสิทธัตถะยังดำรงชีพอยู่ทำไมจึงไม่แต่งกายให้ดูสวยงามเหมือนเดิมสะทียังคงใช้ผ้าฝ้ายธรรมดามาเป็นสารีและไม่มีเครื่องประดับอันใดหม่อมฉันตั้งใจว่าจะเปลี่ยนอาพรและเครื่องประดับใหม่ให้สวยงามและดูดีมีราคาเมื่อวันที่เสด็จพี่ได้เสด็จกลับมาเป็นการถวายต้อนรับในวันนั้นเพคะอือิดไม่ห้ารงผีผ้า ก็เชว่าอีกไม่ช้าวันที่เรารอคอยจะถึง ท่านโกทัญญะเมื่อพระสมณะโคดมมาถึงพวกเราพึงทำอย่างไรจะเย็นกวดซี่วะปะและผู้ทนทอนลอยข้าพเจ้ากำลังคิดว่าในเวนันหลอนี้พระสมณะโคดมได้เป็นผู้มักมากสลัดความเพียเรเวียนมาเพื่อความเป็นคนต่ำเสียแล้วเรื่องจึงไม่ควรไหวเมื่อมาถึงข้าพเจ้าจะไม่รุกรับไม่รับบาปบริขารเช่นที่ท่านพทัทธิยะว่า ข้าพเจ้ามาหานามะถึงจะตั้งอาสนะไว้แต่ก็จะไม่เชิญให้นั่งถ้าอยากจะนั่งก็จะนั่งเองตามสบายเอแล้วเราจะเรียกนามท่านอย่างไรดีล่ะข้าพเจ้าได้ยินว่าท่านอาจจะตรัสรู้แล้วนาะไม่น่าเชื่อว่าภูรความผิดจะตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าได้ที่น่านสงสัยนะอาสุจิแล้วก็เรียกว่าอาวุโสโคดมสี แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วจริงไหมใช่แล้วถ่านโกนธัญยะนั่นยังไงล่ะสานักโคโดมเดินมาแล้วเห็นไหมและกำลังใกล้เข้ามาทุกทีและอย่าลืมนะทำตามที่พวกเราต้องกัน ที่พระผู้มีพระภาคกําลังสเสด็จตรงเข้าไปคือป่าอิสิ ป, ปตนะมฤคทายางวันใช่หรือไม่ข้าพเจ้าว่าน่าจะใช่เพราะมีความสงบร่มรื่นมีเงาไม้และสายลมที่ให้ความเย็นชื่นใจเหมาะสาหรับเป็นที่ประทับพักพระวรกายของพระพุทธองค์และนะลักบวชห้ารูปที่นั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นั่นก็คงไม่ใช่ใครนอกจากปัญจวัคคีย์พวกนักบวชเหล่านี้ควรจะปิติยินดี ในการเสด็จมาของพระผู้มีพระภาคเจา้าแต่เหตุใดเล่าจึงต่างพากันนิ่งเฉยอาเหมือนไม่สนใจพระบรมาศาสดาเลยล่ะข้าพเจ้าดูแล้วล่ะพวกเขาต่างมีมิจฉาชิพถีกันทั้งนั้นแต่พระพุทธองค์กลับไม่ทรงรู้สึกวันว่นวายเสด็จดำเนินตรงเข้าไปหาข้าพเจ้าทักอยากดูแล้วล่ะว่าพวกเขาจะทำอย่างไรและจะเกิดอันใดขึ้นเมื่อพระสัพพัญญูพุทธเจา้าเสด็จเข้าไปถึง คำนาโคดมคำมาแล้วก็จะทําเป็นไม่สนใจไม่ต้อนรับไม่ท่านอาวุโสโคดมเชิญคำมาก่อนสิแล้วการท่านโกธญญะนี่ท่านเป็นคนสั่งเองว่าจะไม่ทักทายไม่ลุกขึ้นต้อนรับแต่ท่านกลับเชื้อเชิญก่อนใครต้องข่าววาปะสิจะไม่ยอมลุกไม่ยอมไหวแล้วทําไมมองมาทางนี้เออข้าขอพิว่าท่านอาวโุโส โหนึกว่าท่านวัดปาจะแน่ที่แท้ก็รีบลุกขึ้นไหวสู้ข่าพัทยาก็ไม่ได้้าจะไม่รับบาดในปูราดอาสนะให้นั่งแต่พระโคโดมก็มองมาทางนี้เออเออส่งบาดบริขารให้ข้าพเจ้าพัทยาสิแล้วเชิญท่านอาวุโสนั่งที่อาสนะอันข้าพเจ้าปูราดไวข้าพเจ้ามหานามะได้ตั้งน้ำล้างเท้าให้ ออท่านอาวุโสโคโดมอัสชิและปัญจวคีทั้งหลายต่อไปอย่าเรียกเราด้วยชื่อและคำว่าอาวุโสเราตถาคตเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเธอจงสงบตั้งใจฟังเราซึ่งจะสอนอ ม, มตธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสอนในไม่ช้าจะรู้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยม อันเป็นยอดพระมจันท์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในพุทธธรรมนี้อาวุโสโคโดมแม้ท่านเคยบำเพ็ญเพียรอธเผ็ดร้อนด้วยทุกกระกริรยาท่านยังไม่อาจทำลายอาวิชชาบรร ล, ลุอริยญาณได้ต่อมาท่านได้กละยเป็นผู้มากๆในการบริโภคและจากความเพียรทั้งหลายแล้วท่านจะบรรลุธรรมอวิเศษได้อย่างไรข้าพเจ้าพัทิยะก็เห็นเช่นเดียวกับท่านว่ปปาปา ข้าพเจ้ามหานามะก็เห็นเช่นเดียวกับท่านพัทธีข้าพเจ้าอัสชิก็เช่นกันไม่เชื่อว่าท่านโโหดมผู้มีอาวุโสจะตัดสรู้แจ้งในธรรมอันวิเศษใดได้พวกข้าพเจ้าบรรจวกที่ทนย่ยังไม่มได้ฟัเชื่อ ขอจงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะมีกิจอะไรหรืออำมาตยคลุทธายี้ทึกได้มาขอข่าพวเราที่ตะหนักในเป็นการสุตูตชีขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าแจ้งข่าวว่าองค์รัชทายาทสิทธัตถราชบุมารบัดนี้ได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัพพัญยูพุทธเจ้าณอารุเวลาประเทศแคว้นกาศี เรื่องนี้เรารู้ก่อนเจ้าแล้วกาลุทยายีพอมีนายวานนี้สองพี่น้องนามว่าตับุ ษ, ษะและพาลิกะมาแจ้งข่าวแก่เราเจ้าไม่เห็นหรือว่าเราที่เคยมีความมองเศร้าจนแทบจะไม่ปรารถนาจะดำรงชีพต่อไปและท่านจะไม่ทํากิจการงานใดๆกลับมีความผองไสเปิตยินดีเพราะแจ้งในข่าวนี้ข้าพระพุทธเจ้าก็มีความปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้พระเจ้าค่ะ และที่เข้ามาเฝ้าองค์เหนือหัวและพระมเหสีในครั้งนี้ก็เพื่อจะกราบบังคมทูลว่าขออาสาเป็นผู้ไปเฝ้าเจ้าชายเพื่อกราบทูลเชิญเสด็จให้นิวัตพระรนครก บ, บิลพั์ให้จงได้พระเจ้าค่ะเราขอขอบใจในความปรารถนาทีและการขันอาสาด้วยความจงรักภักดีอย่างยิ่งของอมจากาลุทายสำหรับราชกิจในเรื่องนี้ องค์เหนือหัวมีรับสั่งให้ทหารถึงพันนายเดินทางไปหาเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะผู้เป็นองค์รัชทายาตเรียบร้อยแล้วล่ะในขณะนี้อาจจะพบลูกเราแล้วก็เชิญเขากลับมาก็เป็นได้ส่วนตัวเจ้าการุทธายีเราไม่งานสัมพันธ์ต้องใช้ให้เจ้าเนี่ยตกแต่งบ้านเมืองเตรียมไว้เมื่อลูกเรามาถึงจะได้รู้สึกพึงพอใจจนไม่อยากจะจากไปไหนอีกไหนล่ะ เจ้าบรรดา ก, การเตรียมการตามที่เราสั่งการรับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะชายา ะอะไรเหรอเกษณีหรือว่าได้ข่าวเสด็จพี่จะเสด็จกลับมาออออยังเลยเพคะถ้ายังไม่ได้เรื่องอะไรแล้วเดินหน้าตั้งเข้ามาหาเราทำไมพี่เกษณีอาจจะมีข่าวใหญ่เรื่องอื่นกำลังเพคะเราบอกแล้วยังไงล่ะถ้าไม่ใช่เรื่องของเสด็จพี่เราไม่มีความสนใจทั้งนั้นออความจริงก็เกี่ยวกันนิดหน่อยเพคะยังก็เรียกกลับถึงพระชา ย, ยาเรลสิกเพเกษณี พระชายาจะได้มีสีพระพักที่ดีกว่านี้เอ้ยคือว่าท่านอมหาการุทายีที่เป็นทั้งสหาชาติรัชสหายได้มาขออาสาไปตามพระสวามีจากกงคเหนือหัวรัพมหาเสีประชาราีเพคะแล้วเสด็จพอเสด็จแม่ทรงว่ายังไงบ้างล่ะทรงมีรับสั่งว่าได้มีพระราชบัญชาให้ข้าทหารเดินทางล่วงหน้าไปแล้วเพคะนั่นสินะ ทหารทั้งหลายพากันเดินทางไปนานวันไม่รู้ว่าเวลานี้พากันไปถึงไหนได้พบและได้เข้าเฝ้าเสด็จพี่หรือไม่และเสด็จพี่สิทธัตถะจะตัดสินพระทัยอย่างไรเราใครจะรู้จริงๆ ท่านคุณทหารขอรับมีไพ่พลกลับมารายงานแล้วขอรับมีใคลได้ข่าวอันใดขององร์ราชทา ย, ยาดบ้างไหมข้าพระเจ้าได้ข่าวจากชาวบ้านแถวนี้ว่านักบวชที่มาบำเพ็ญทุกการกิริยาอยู่ที่นี่จนมีรูปกายผายพร้อมแม้แต่ท่านการุทายีที่เป็นพระสหายก็ยังจำไม่ได้และผ่านเลยไปขอรับเจ้าจะบอกข่าวว่า เจ้าชายมีพระวรกายเปลี่ยนไปหรือไงฮามีได้ท่านคุ้นทหารเพราะเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าชายเลิกทรมานองค์และกลับมาสวยพระกยาหารใหม่ก็มีพระวรกายพองไสท่งมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการดังเดิมแล้วขอรับงั้นก็นดีนะสิว่าแต่เสด็จไปประทับอยู่ที่ไหนกันนะมีข่าวล่าสุดว่า พระองค์เสด็จไปยังป่ายอิสิปตนะมฤคททยวันนอกเมืองพระราสีเขารับงั้นข้าขอสั่งให้รื้อถอนค่ายแล้วรีดตามเสด็จไปเดี๋ยวนี้นี่นักว่าเป็นข่าวดีจริงๆที่เราได้ข่าวเจ้าชายหรือท่านคุนทหารที่เราได้ยินว่าเจ้าชายทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วทรงเปลี่ยนพระไทยกลับมาเสวยพระกรายาหารนะ่ะสิหาเรื่องเนี้ยยังทรงเปลี่ยนได้ เรื่องที่จะกราบทูลให้เปลี่ยนพระไทยและเสด็จกลับก็คงไม่ยากเกินไปแล้วจริงไหมหรือข้ายและเตรียมตัวเดินทางได้ขอรับข่านคุณทหาร เราปัญจวัคคีย์ได้ปฏิเสธเราตถาคตถึงสามวาระด้วยวาจาเยี่ยงเดียวกันเขาเหล่านั้นยังมีมิจฉาทิฏฐิอันแรงกล้าจนถึงวาระที่สี่อันเราได้ใช้พุทธสัจจาวารมุเพื่อทำลายมิจฉาทิฏฐินี้แลอผู้เรามีความเข้ใจผิดฝ่าทพานสมณพุธองคได้บรรลุธรรมอันยิ่งใหญ่ได้พระพุทยญาณ และท่านองการทาสอนรรมาตาธรรมตวพวกเราจริงๆสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายคิดอยู่เราตถาคตจมรู้โดยโพธิญาณปัญจวัคคีย์ทั้งหลายในการก่อนเราเคยกล่าววาจาอย่งนี้กับพวกเธอหรือไม่หาไมไดม้ตถาคตเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยตนเองพวกเธอจงสงบ ตั้งใจสดับฟังเราจักสอนอ ม, มะตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วเราจักแสดงธรรมนั้นเมื่อเธอปฏิบัติตามที่เราสอนในไม่ช้าจะทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นยอดแห่งพรหมจรรย์ได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองอันเป็นประโยชน์ที่ปรารถนาของเรากูลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบดังนี้ ในวันขึ้นส5บ้าค่ำเพ ن เดือนแดหรืออาสารหะปุรณมีเราตถาคตจะประกาศปฐมเทศนาณป่าอิสิปตนะมรุกทายวันเมืองพารณสีแคว้นกาสีเป็นพระธรรมจักที่สั ม, มณะพรามเทพมารพรมหรือใครๆในโลกจะต้านทานให้หมุนกลับมิได้เป็นกลงล้อแห่งธรรมว่าด้วย พระธรรมจักรกับปวัฒนสูตร ดูก่เทพ ย, ยดาทั้งหลายผู้ท่านแยกย้ายกันไปไประกาศไปทั่สวรรค์ตั้งแต่ชั้นโสรถกรมลงมาจนถึงดาวดึงสาที่ข้าพเจ้าอมรินเป็นใหญ่และทั่วทั้งชกามาวาจร อ, อันมีหกชั้นด้วยเรื่องอันใดเรื่องนี้รอเช้าไม่ได้ท่านท้ามหาตมทั้งหลายท้าวโกสิและทวยเท พ, พ ย, ยดามันได้ยินที่พวกข้าพเจ้าได้ป่าประกาศนี้ ก่นนอนเมีมรื่อรอะไรกันขณะนี้ในโลกมนุษย์เป็นราตีวันเพ็ญครือ15บห้าค่ำเดือน8หรืออาสารหะบุละนะมีพระบร ม, มาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแสดงปฐมประเทศนาแก่บรรดาวะขีอันวาด้วยพระธรรมจักรกับปะวัตนะสูตรณบัดนี้ผู้ข้าพเจ้าเกรงว่าผู้ท่านทั้งหลายทูธทันพมมาโลก16ชั้นฟ้าและชะกาลวจรแดนสวรรค์ จะพลาดโอกาสท่นเป็นมหาบุรลษจึงได้ดังด้นรีบมาแจ้งทันทีพวกท่านมหาพรหมทั้งหลายจงรีบพากันไปยังมนุษยโลกเดี๋ยวนี้ท่านเท้าจะตุโลกบาลและเหล่าเทพพยายดาทั้งหลายรียบตามข้าพเจ้าสักระเทวราชอย่าให้พลาดได้อาพวกเราไปกันเถอะไปสทาท ก, การทำบุญไปเสวยกาน นามผู้แสดงสัจพจน์สีหมเมธีปันทรัตพนเกียรติบุรชโชติสันศีสริยาพรณ์บรการเจริญดีเปรมกมลโชติกาเสถียนธานิตศรีสินรัตเกณฑนิตเรืองศรีสุพิศราพัฒน์เจริญพิทยารักสุทธิพัฒน์อ่นปรางจรุพัฒนเวตรรัตโชติกาเสเวตรวตรัตอรอวีนาเจริญพิทยารักนัทพงศ์มัฒนบุญญาบันทึกเสียบริการเจริญดีกำกับการแสดง สัจพลทธสีหามีดีอานวยการตรลง